1.15 จุดหนึ่งห้าจุดแรกต้องเรียนให้เกิดสติและให้มีวิหารธรรมวงเล็บเปิดยี่สิบเก้าธันวาคม2 5 4พันห้าอสสิบ้าในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเราต้องหาเครื่องอยู่อันหนึ่งให้จิตหาเครื่องอยู่มาอันหนึ่งนะพอใจคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่อันนั้นเราก็จะได้รู้ทันว่าหลงไปแล้วมันจะไม่หลงนานเช่นอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่มีอะไรทาก็พุทโธไป หรือบางคนใช้ขยับนิ้วขยับไปเรื่อยๆไม่ใช่บังคับเพื่อให้จิตนิ่งไม่ใช่พุโทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่ขยับไปพุโทโธไปพอใจหลงแวบไปก็รู้สึกแล้วมันลืมพุโทโธหรือการขยับไปฉะนั้นเราคอยรู้สึกถึงการขยับร่างกายเอาไว้ก็ได้หรือรู้สึกถึงพุโทโธเอาไว้ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องช่วยนะเครื่องช่วยให้สติเราไวขึ้นไวขึ้นพอมีสติแล้วเราค่อยมาเจริญวิปัสสนาอีกทีหนึ่ง ต้องให้มีสติก่อนนะถึงจะเจริญสติได้ถ้ายังไม่มีสติมันก็เจริญสติไม่ได้มันจะเจริญความไม่มีสติแทนฉะนั้นเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อเนี่ยจุดแรกที่ต้องเรียนคือเรียนให้เกิดสติให้รู้สึกตัวเป็นรู้สึกได้อย่างธรรมชาติรู้สึกอย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยจุดที่หนึ่งนะ ถ้าคนไหนมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วสติมันจะเกิดเกิดอัตโนมัตินะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกเองใจจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เนี่ยก็รู้สึกได้เองเลยพอเรามีสติแล้วก็มาเรียนขั้นที่สองเรื่องการเจริญปัญญาวิธีรู้รูปวิธีรู้นามก็มาเรียนเพิ่มเติมขั้นแรกเรียนให้มีสติอยากมีสติให้รู้สภาวะลงปัจจุบันไปเช่นหัดพุดโทโธพุโทโธหัดหายใจไปอย่างนั้นพอใจหนีไปคิดเราก็รู้ ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆพอเรารู้เราจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเกิดอัตโนมัติเลยทั้งวันทั้งคืนนะเกิดเองเลยฉะนั้นการทําในรูปแบบสําคัญนะเบื้องต้นต้องมีวิหารธรรมอันหนึ่งมีเครื่องอยู่เอาไว้อันหนึ่งก่อนบางคนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเพ่งนะบางคนชอบเดินเพ่งอยู่ที่เท้าถ้าเดินเพ่งเท้าก็ได้สมถะ แต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันเดินไปพอใจมันลอยแวบลืมร่างกายของเราไปเราก็รู้ทันว่าใจลอยไปแล้วก็มารู้ร่างกายที่เดินไปอย่างสบายๆต่อไปไม่เข็นใจนะไม่เข็นบังคับกายบังคับใจให้เดินสบายเดินรู้กายไปพอใจไหลแวบไปก็รู้ทันมันลืมกายต่อไปเราอยู่ในชีวิตประจําวันพอใจเราขยับตัวแวบจะเห็นเลยเห็นเองสติเกิดเอง ฉะนั้นเรามือใหม่หัดขับนะต้องมีวิหารธรรมเอาไว้อันหนึ่งในสติปัฏฐานท่านถึงสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดกายเยกายานุปสัสสีวิหารติปิดเครื่องหมายคำพูดวิหารติคือมีวิหารธรรมเอากายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เอาไว้ก่อนอันหนึ่งถ้าเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เราก็ขยับมือเป็นเครื่องอยู่ก็ได้